ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนทั้งศัตรูทั้งคนเชียร์ทั้งคู่แข่งทั้งครูทั้งศิษย์ทั้งนายทั้งลูกน้องทั้งเจ้านี่ทั้งลูกนี่ทั้งพ่อทั้งแม่ฐานะหนึ่งหนึ่งเข้ามาอยู่ในใจได้ด้วยพฤติกรรมซึ่งก็คือวิธีที่แต่ละฝ่ายพูดเข้าหูกันกระทำต่อกันเอาง่ายๆ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 เป็นทุกข์หรือเป็นสุขมากหรือน้อยเพียงใดยิ่งระลึกถึงรายละเอียดให้ชัดคร บ, บ่อยครั้งขึ้นเท่าไหร่จิตของคุณจะยิ่งเสพอารมณ์ได้ชัดขึ้นเท่านั้นและยิ่งเห็นว่านั่นเป็นแค่ความทรงจําชัดเจนขึ้นด้วยกล่าวคืออึดใจแรกคุณจะถูกหลอกให้อุปาทานไปว่าของจริงยังอยู่หรือของจริง